ใจตั้งใจนั่งได้ที่แล้วก็ตั้งใจกำหนดสติอาณาปานสติปุสติยสติสุขิตส่งสติออกกายวงให้เที่ยวในกาย้องในใจกายยากายดอาาปานสติสติท่องเที่ยวในกายท่องเที่ยวในลมหายใจลมหใจน่กาย ไปจาลมยึดจบี่อยู่อย่างนั้นลมให้ใจเราขออย่งนั้นหรือแล้วเรื่อรู้อยู่ลมให้ใจเราองนั้นอาาปาสติมาภาวนาเพราะมากึกสติไจด้มาทอย่างฝสติฝึนนกจิตมาทมาทจิตเจ้าของภาว น, นามันแปลว่าการกระทาทาจิตให้สงบสองทำจิตให้เกิดธัญา มาฝึกมาอบรมมาปฏิบัติจิตเจ้าของทำจิตใจเจ้าขอให้เกิดความสงบอันหนึ่งอันที่สองเกิดปัญญาปัญญาที่มุ่่งนไปวันนี้จะพูดเรื่องเทวานเทวานสมมุทเทวานยมุทให้ฟังพอเราท่านทั้งหลายรู้จักเทวานทั้งสองนี้นั่นจึงปฏิบัติ ไม่ถูกโอมาภาวนามาปฏิบัติก็ต้องรู้จักทวันทั้งสองนี่เทวานทั้งสองนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเรื่องกันเทวานสมมุติคืออะไรต้องรู้จักรู้จักสมมุทต์ไหมเทวานสมุทต์เวานบอกไปว่าไปดูไปรูที่นั่งดูอารมณ์เข้าไปต่อให้ใช่ ชาวบ้านจะมาประตูเป็นภาษาภาษาสบ้านองอุ้มมาประตูประตูเปิดแล้วอารมณ์เปิดแล้วอกิเลสตอเข้าไปถือใจของเราบางทีท่านเรียอายตนะอายตนะว่าที่ตอออกเรืองของกิเลสอายตนะกิเลสมันจะไหลเข้าไปในสวรรค์ทั้ง นี่เนียเรียกว่าเทวันหกเทวันตาหน่หู2อมูสามิ้วสี่กายห้หกใจหนนเทวันบางทีก็เรียกว่าอารักายะบางทีก็เรียกว่าเทวันมิจฉโตลุ่มโตลุ่ตล่มสมุนเข้าไปให้จิตให้ใจบอกจิตบอกใจว่า จิตใจก็นองออกมารับอารมณ์ว่านามสีเกิดให้พาคร่างใจทาวา น, นี้นี่เราสวดอัญชาสิบสอาตาก็คู่กับลูก12ภายในหภายนนอกหตาก็คู่กับลูกหูกาคู่กับเสียงจมูกกาะคู่กับกลิ่นลิ้นก็ะคู่กับรสกายก็ะคู่กับโภชนา ใจก็คู่กับธรรมะลมมีอันเป็นเครื่องคู่คู่กันคู่คู่กันนะต่อเข้าไปถึงใจใจก็กับเครื่องน้อมบอกนับอารมี์นิริวัติเทวานสมมุติพอเข้าใจนิริวันสมุทําไมยังมาเรียบเทวานสมุทโลกก็สมมุทขึ้นมามาใช้กันมาเรียกกันมาใช้กันในชีวิตประจาวัน ในโลกของมาันในสังคมของมาันเขามาสมุติต่างชื่อขึ้นมาสมุติบัญญัติชื่อขึ้นมาว่าตาว่าหูว่าจมูกว่าลิ้นว่ากายว่ใจเขาก็ไม่รู้อย่างว่าเขาเป็นทวันเขาเป็นสมมุตดดอกคนมีหนาสมมุติขึ้นมาคนก็คือเราแล้วก็คือใจมาสมมุติขึ้นมาเรียกชาล่วงกัน ให้รู้จพูดออกมาเป็นเสีงเยงเสียงภาษาออกมาให้เข้าใจกันใช้รวมกันที่เรียก ว, ว่าสมมติสม ม, ต, ส ม, มติมันรับโลกรับอารมณ์รับสมมติเข้าไปเรียกว่าเรียกว่าทวารสมมติพะเข้าใจแล้วนอว้องวานเนี่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือทวารสมมติ เมื่อมันรับเข้าไปอารมณ์ในอนดีตหรือปัจจุบันก็ดีนะตัวมโนทวารตัวมโนท่านจึงบอกว่าทวารทั้ง6ยกเขาเกิ่ยวไว้ก่อนอินรนะีบางทีทนะ่านจะเรียกว่าอินรีห6นะอินรีคือความเป็นใหญ่ทวารอินรีมีความเป็นใหญ่ตามีความเป็นใหญ่ในะการเห็น ใใโมูมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจะโงมีความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นมีความเป็นใหญ่ในการล่นนวดกามีความเป็นใหญ่ในการกระทบความเย็นร้อนความแข็งใจมีความเป็นใหญ่ในการรู้เยามันมโนบอบบางสีอะไรมันจะมารู้แทนกันไม่ได้ตามอันตามทำหน้าที่เดียว ของใครของเราอยู่อย่างนี้ต า, าก็มีความเป็นใหญ่ในการเห็นมินก็มีความเป็นใหญ่ในการยืดลดแต่โอตามานยืดลดแทนยืดไม่ได้ท่านชี้ว่าอินซหชื่อก็เรียว่าอินซีหกยกเอาจิตไปกอดยกเอาใจไปก่อนมันอินซีมีความเป็นใหญ่ในการรู้มันรู้ได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันใจเรื่ สังกับตาหูอย่างวงลิ้นใจกายลูกแพร์ปัจจุบันอะไรมากระทบกับเขาก่อนูกไปส่วนใจไม่จะรู้ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันตัวมโนงน่ะจึงยกเอาใจไปก่อนนี่แหละทวารสมมุติมี่หกอารมณ์หลายเข้าไปในประตูจิตของเราเป็นอวิชชา มันหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมมุติไม่สามารถเทิร์โลกออกําเพื่์อารมณ์ออกจากจิตเทิร์สมมุติออกจากใจ ม, ม, มันลงมาปฏิสัทธิในขันมันจึงมาสร้างทบานทั้งหกไว้เพื่อรับโลกรับอารมณ์รับส ม, มมุติเพราะมันติดอยู่ในโลกติดในอารมณ์ติด ใ, ในสมมุติจึงลงมาเกิดเดือดถ้าม ด, podemos, ดับโลกดับอารมณ์ดับสมุนได้แล้วไม่มากเกิดนี้มันก็มาหลงโลกหลงอารมณ์มันมาสร้างเนี่ยทวารสมุนพวดอธิบายให้เข้าใจหลายๆเหลายๆๆก็อยู่ในกายเล่านี้ทวารสมุนเมื่อธาตุแตกขันดับทวารเหล่านี้ก็ดับไปด้วยแต่ตัวมโนทวารไม่ดับตัวมโน ตัวใจไม่ตายมันจะยกเอาใจไว้ก่อนใจไม่แตก ต, ตัวแมโนที่จะรับ อ, อ ก, กับที่เราทำเอาไว้เป็นกรรมพจุดติดพต่อไปอก็เป็นพบเป็นชาต่อไปตัวมญาณมโน่ญาณม่ได้เพือจ่ยังมญาณมีปัญหาี วิชามันขอไปเกิดในพวกใหม่ชาติไหนถ้าดับโลกับอารมณ์ดับสมุลไดแล้วมันก็ไม่เกิดวิญญาณไม่มีเชื่อก็ดับนะดับทีนี้เมื่อ้าแตกขันดับเทวานสมุติก็ดับมันก็จะส่งต่อไปเทวานิมุตคือหลุดพ้นจาก หยุดคนจากทวารสมมุติไปท่านก็เรียกว่ายมุททวารยมุกับสมมุติมันจะต่อเนื่องันอย่างนี้ทวารสมมุติรับเอาอดีตปัจจุบันไว้อย่างไงมันก็ส่งต่อใหทวานยมุทไปอย่างนั้นนะให้เรารับทราเอาไว้อย่างนี้มาภาวนา มันใจมันจลับเอามโนทวันมโนกรรมเป็นมโนกรรมลับออกไปทวันที่มดเป็นกรรมมรรเป็นจุดติพต่อไปเตัวปัญญาโมโนมโนปิญญาเนมันจะดลับออกไปที่ท้ายบัตญญาที่ตัหามีธรรมชาอยู่เนี่ยมันลงตรงนี้ มันยังมาดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติดอกใบมันติดในโลกติดในสมมติดลบโลกสมมตรับอารมณ์นน้ำอ่นมันมียางมีเชื่อยถ้าดับโลกกับอารมณ์ดับสมมติได้มันไม่มีเชื่อมีนยานเหมือนเมล็ดพืชถ้ามันมีเชื่อมียางอยู่มียางเกิดจะเหมือนเมล็ดพืชถ้ามันมีเชื่อมียางอยู่ วัดมนตกตรงไหนมันก็เกิดได้ถ้ามันไม่มีเชื้อไม่มียางไม่มีหนอ่อมีสปอยนี่มาเลพเกิรดเขาก็ไปต้นเขาเอาไปย่างให้แห้งต้มให้สุกมันจะเกิดไปไม่ได้จะไปเกิดไม่ได้ถ้เกิดเผาใฟมันจะตายมาเลพเพิรวิญญาณของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราฆ่าให้มันทําให้มันดับดับโลกดับอารมณ์ดับสมุติออกจากวิญญาณนะวิญญาณเขาไม่มีเชื่อที่จะไปเกิดเหมือนหัวเกิดเพอามันนะมันจะมีเชื่ออยู่เนี่ ยุคปัจจุบันเรารู้เราเห็นอะไรตอนเราตายตัวเาวดสมมุตินี่มันมันรู้ไม่เห็นอะไรนี่เรียกว่ามาโนกรรมกรรมนิมิตกรรมนิมิตจะนิมิตคิดไปรับไปตอนนั้นมันมิมิตมันคิดถึงอะไรจนยัยนตายถ้าคิดถึงกรรมนิมิตแปลว่านิมิตแปลว่าคิดนะกรรมแปลว่าการกระทํา ใจเราทําิมิจฉิดถึงอะไรมันเกิดตัวก็กรรมเป็นกายมันทำหัวใจก็เรียกว่ากรรมมิมฉิษทางการหัวใจมันคิดไปถึงอะไรตัวเทวบาสมมุติคนลักไปถ้ามันคิดไปถึงถึงตอนจนจะตายมันคิดไปถึงเรื่องที่ดีเรื่องว่าทําบุญทําทานนักษาธิตภาวนาคิดถึง ภาชนะที่เรามาทําบุญทําทานอะไรหรือคิดไปถึงเรื่องงานะจิตของเราพ่อผองใส่คิดไปถึงบุญคิดถึงสวรรค์คิดถึงเห็นนาำพายเห็นเทวดาเห็นอั น, นั้นอันา น, านี้ขึ้นมาก็เรียกว่าจิตผองใส่จิตผองใส่ก็จะได้ไปเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ทวารีมุต ลับมาทวานสมมุติลับมาอย่างไรตอนจะตายก็อสัญญกรรมกรรมจวนเกลียนจะตายกรรมลิมิตมันนิมิตคิดถึงอะไรนี่แหละมันจะไปเกิดอยูนะ่ภพนั้นเดี๋ยวกำมาพบจุดติภพกำมาพจุดติภพไปจุดติในภพนั้นถ้าคิดถึงของดีคิดถึงวาษาราชาวันคิดถึง ถ้หาเราเวีนยงนั้นเราได้าทำบุญทำทานนั่งสมาธิภาวนาหนีจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์ช่ น, นบานถ้าคิดมา เ, เรื่องที่ดีคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าตอนใจยกระดัทวันสมมติรับเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาแต่คิดถึงความคิดอินทรีย์เยวะภะประชา โคคืออารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตเป็นยังไงโคกชาติก็เป็นอย่างนั้นเดียวกว่ากรรมมาโคจุดตี่ค้กไปจุดตีในโคกนั้นให้พระธรรมเข้าใจใช่คิดถึงใช้อาคารคิดถึงเราไปทำบาปอกุศลเคยไปเที่ยวไปเล่นไปเล่นชู้กับพัวกับเมียคิดถึงวงเล่าคิดถึงวงการนั้นนั้คิดถึงการไปฆ่าสัตว์การไปรักของเขา จิตนี้จะยังเ ป, ป็นไปเป็นอะไรขึ้นมาลอนขึ้นมาคิดเศ้าหมองก่อไปอบายภูาายมิทวันมีมนตรก็ลับต่อช่วงไปเป็นจุดจีบจิตจิตก็ไปจุดจีบอยู่ที่พบต่างๆอยู่อบายภูมิเนี่เปรียบเทียบเป็นฝังอย่างเรานอนหลับทวานันสมมุติมันจะจาอารมณ์ ไว้ตั้งแต่เก่าจนปกจจนอารมณ์ในอดีตหรือปัจจุบันเราไว้เวลาเราอารนอนหลับมันฝันฝันไปเห็นอันนั้นอันนี้ตอนนอนหลับนี่มันถ้าวานันสมุติมันหลับด้วยตาก็าไม่ไทางานหูทิ้ลายใจไม่ทำงานแต่มีสัญญาอารมณ์อยู่ในมนโนทวานันคิดไปเรื่องนัน่งนี้ตอนเราสะดุ้งตื่นนิดหน่อย นอนพึ่งหลับมันเดนหมันจะทํางานมนโนมันจะทํางานได้อย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าทวารนิโ ม, มแท่ขนตายไปขนนอนหลับนอนหลับฝันเห็นอันนั้นอันนี้เพราะว่าสัญญาอารมณ์เราจําเอาไว้หมายเอาไว้ตั้งแต่อดีตหรือปัจจุบันก็นอนอนหลับต้องฝันเห็นนี่เราเรียกว่าทวารนิโมทยกตัวอย่างฟังนอนหลั บ, ลาาาานนลบคือ คันนี่แะือทวารมุตถ้าหากว่าทวารสมมุติดับถ้าแตกเป็นดำทวารมุขรับช่วงไปเหมือนเราฝันเ่ยมันไม่ไม่มีไม่มีต่างกันทวารสมมุทรรับมาอย่างไงทวารมุขก็รับต่อไปอย่างนั้นเหมือนอย่างเขาวิชยุหรือโทรศัพท์มาหาเราเละเครื่องของเขาส่งมายังไงเราก็รับต่อมาอย่างนั้นไม่ผิดกัน เขาเทรศัพท์มาหาบอกว่าอะไรสิโทรศับพ่อแบบรับต่อไปทวารนิมุติกับสมมุติมันจะสันติสื่อเนื่องกันต่อเนื่องกันนี้ะเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติให้เข้าใจเรื่องทวารสมมุติทวารนิมุติเวลาเราจะตายถ้าจะแตกขันจะดับเราจงให้มีความฉลาดพยายามโอนจิตออกนี้จากความสมองให้ได้ อารมณ์ท <ăn> <ừ. S 1> ี่เศร้าหมองคิดไปถึงกินเหล้าคิดไปถึงไปฆ่าสัตว์คิดไปถึงไปเล่นการพนันไปกินเหล้าเมาสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ทวารริมวดข้อจะรับช่วงต่อไปเราก็จะไปตกต่ําจิตเศร้าหมองเราคล้องเป็นไปเมื่อไปเกิดข้อเราไปเกิดในที่ต่าง ทันอดกิเตสังกิริตเถทุกคติปฏิกัางขากิเปกิอันใดอสังสมบัติสังกิริตเถอสมกิเลสอสมบัติกิจอันนั้นต้องไปทุกคติปฏิกัางขาไม่ต้องสงสัยเวลาเราจะตายเข้าใจอย่างนี้ว่ากิเตอสังกิริเถทุคติปฏิกัางขานพูดโงกตันไปยกิอันใด หากไม่สมสันสมกิเนสันสมบัติจิตถึอองนอกบัตจิตไม่สันสมบัติจิตต้องของใช้ถ้าจิตสังสมบัติจิตต้องส ม, มองพขอมไป็นบาจิต ก, ก็ต้องไปตรวจสอบภูมิจิตเตอสังจิติตเถไม่สันสมบัติไม่สังส ม, มสกสมิเลนจิตนั้นต้องของใชไปสู่สุขคติปัจจังค่ปฏิกันฐานจิตเตอสังจิติเถสุขคติปฏิจจังฐาน ใจสุขสุขัติใจสุค์หวืนมนุษย์สมบัติสรรค์สมบัติภูมิสมบัตินิพพานสมบัติอ เ, เป็นไปเ่อให้พากันข่งใจอารมณ์พวกนี้มันเข้ามาทางเวันสมุทรเทวานิมุติคนรับช่วงไปหาสังสมบัติคิดไปเรื่องบาปทวานมุขาอาบาปไปหาคิดไปเรงบุญบุญลทวานสมุติคนรับบุญบุญลไปให้เราฉลาดในการ ตอนเราไปใต้ที่มีความรู้ความฉลาดอย่างนี้ได้เวลาจนเกียนเข้ามาเราไปคิดในแง่บาปอาโกโแท้ๆมันต่ำนิมนิดคิดไปเดือยไหนถาวรสมมุติเขาลัต่อแบบนั้นนี่ปูดเรื่องถาวราสมมุตถิถาวรสมมุมันก็เกี่ยวข้องกันอายตนะอายตนะภายในายคือถาวรสมมุตินะเราต้องศึกษาปฏิบัติอายตนะภายนอก หลบแซงติดรถกมทนันกันแล้วลต้องทำควจจามรู้ท้องควาาใจกับปัญญนนภายนอกภายในมันมันจะต่อเข้าไปเป็นพพเป็นชาติต่อไปคนมีอะไรเรียก ว, ว่าที่เราสวดอยู่เคืออวิชาปัจญาสังขารสังขารปัจญาปัญญานังปญญานังปัญญา นามุฟังปัจจัยสารายะตนนัสารายาระดังนั้นปัจจัยาศัตอาััตปัจจัยเวทนามันก็เป็นโยกโซ่ ต, ต่อกันไปเลย่นี่เพราะอวิชชาตัณหาอุปทานมันมันมีอะไรเพราะกับไปรู้จริงอวิชชาตัณหาจึงเกิดมีตัณ ห, หาขึ้นมามันมีตัณหาบออวิชชา เป็นต้นเหตุตัวความรู้มันจิมทำให้หให้หลงเมื่ออายตนะมันอวิชาเนี่ยมันหลงอวิชาในอดีตอารมณ์ในอดีตหลงความคิดในอดีตปัจยาสังขารหลงอารมณ์หลงหลบหลงอารมณ ล, ล, ล, ลสังขารนี่นะอดีตเหตุเนี่ยมันเหตุในอดีต ธรรมชามันลงหลบลงอารมณ์ลงสมุทหลงสังขารหลความคิดความคิดนี้คืออารมณ์หลงหลบลอารมณ์ลสมุทจึงทำให้เรามันเกิดอีกมในอดีตดับโดดดับอารมณ์ดับสมุจดับไม่มากเกินอ <hy> ิ่มเพิ่อหลบออกจากธรรมเพื่ออารมณ์จิตเพือสมุทออกจากจิตจากใจได้ มันเกิดเพราะมันหลงนี่แหละหลงหลงหมอรหลงมมันเดิคิดอันนั้นนันนี้ขึ้นมาหลงความคิดเจ้าของจิมาถืออิจธรรมาเกิดอีกอันนี้เป็นอนเดียเหตในอดีตเพราะจิตรู้ไม่เข่าไม่ทันหลงหลหลอมงสมมหลงขันหันไม่ได้หลงที่รอ ลงสังขารลงความคิดกรมนิม่นิดิคือความคิดยันต์หนาขาดก็มาเกิดเป็นปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันน้าฝนฝปัจจุบันลงมาป็นวิญญาณวิญญาณ น, นาลูนาลูวิญญาณนลูก ม, ม, มีอะหรจน่าเกิดขึ้น สา้าอายตนะเกิดขึ้นวิญญาณมันมีเชื่อมันมีเชื่อความหลงมันกระโสผลมาปัจจุบันนเห็นแต่ในวันเห็นคือวิญญาณมาลงปฏิทินที่แมน้ำลุ่เมื่อได้มาน้ำลุแล้วก็มาสร้างปัตตวทวทั้งหกเพื่อดับลัวลมมันหลงลลมาลงมาลมาอย่างนี้นะลงมาลมาลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลลง เอวิ า, าเกิดวญ า, าที่มีเชื่อเชื่อควาหลกของกดควาหลงเชื่อทาโลนะมาเกิดมาในครัมาสร้างเทาดาญาตนขึ้นเทวดาต้งขึ้นเนพะืาา่อมารับรรับอารมณ์รับสมุตัยญานมานำลูกมาญาตนผนะัสเวทนามันก็ไม่ใ่ เคลอวิทาหาอย่างสัญญานาำลูอรยธรรมพัฒนาวทาห้ า, า, ย า, นนาอาย่าง เ, เป็นปัจจุบันนเห็นเป็นปัจจุบันน้ำฝนเป็นปัจจุบันน้ำฝ น, น, น, น, นมันจากเอาไม่ทราบนเห็นมเกิดผลขึ้นมาสัญญาณ น, น้ำลูกอริยัรรมพัานา แล้วท่องปฏิจจสมุปบาทไม่อยู่ที่ไกลหรเมื่อมอาเบียร์ทนาแล้วก็มาเกิดผลอดีตเหตุปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุเกิดเหตุในปัจจุบันคือตัณหาเบทานาตัณหาอุปทานพบเบทานาตัณหาอุปทานพบในเหตุปัจจุบัน ต่อไปพเป็นอนาคตผลก็เกิดชาติชาามรณะขึ้นไปนั่นมันี่ะที่มันไปเกี่ยวเนื่องกันกับทวานเทวันมาท่างเทวสมุทรขึ้นมามารับโลแล้วบางลงสมุทรเอาไว้ในอดีตปัจจุบันเป็นสัญญาเอาไว้ตัวมนุษย์งานจะรับไว้คนเดียวมันนอก ก็เกิกรรมมาพบจุดจีบพบตอนเราได้กรรมยิ่คิดถึงอะไรนี่นะอวิชาด้วยจริงไปคิดถึงอะไรมันตอนอ่อเนื่องกันมาอย่างนี้เท่าไ่กันไปได้เมอันมีมามเลยมาเกิดเป็นภพเป็นชาติชาามรณนะกันไปเรามาปฏิบัติื่องนี้ปฏิบัติเพื่อจะดับเนี่ยดับกระแสสมุติต กระแสจิตของเรากระแสสมไทยกระแสปฏิจจสมบัติมาปฏิบัติมาปัจจุบันิวันวิญญาณสารวิญญาณนามกสาระนีต่ะเมื่อได้วิญญาณมาเกิดในนามโูกก็มีตาหีวตาหัมอ่างวที่มีตายใจขึ้นมาก่อนพวกนี้แนหะเป็นเครื่ อ, อ, องรับอารมณ์เข้าไป ต่ออารมณ์อ อ, อถึงใจนีที่มาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดพบเคยมาอุปาทานพบเคยนี่อไปก็อน า, าคต้ผลก็ส่งไปให้เกิดเป็นชาติชาามลนะอีกมาปฏิบัติก็เพื่ อ, อดับอันนี้นดับอริชาตัณหาอุปทาน ดับพบดับชา้านี่นะคนจะไปเกิดมันพบมันช า, า, าติ่เมื่อธาตุแตกขั้นดับจึงให้เราศึกษาอารมณ์พวกนี้ให้เข้าใจแม้แต่ปัจจุบันนี้เราต้องรับได้ทั้งแต่ปัจจุบันนี้แหละอาจจนะนภายนอกภายในกนระทบกันเราต้องมาฝึกตรงนี้เรามาหลงอวิชชาหลงหว่าเรามี เรามีอยู่ในขันหันหลงว่าขันหันเป็นเราเราเป็นขันหันขันหันีอยู่ในเราเราที่อยู่ในขันหันอวิชชาหลงว่าเราเป็นขันหันขันหันเป็นเราเลยหลว่ากายเป็นเราเรากายกายมีอยู่ในเรามีอยู่ในกายหลงว่าอายตนะเป็นเราเราเป็นอายตนะ อายตนะมีอย um, ู่ในเราเราอยู่ในอายตนะซ้อนมันเข้าไปอย่างนี้นะเทวันสมุติล้มว่าเป็นเราเราเป็นอายตนะอายตนะเป็นเราเราเป็นอายตนะล้มเข้าไปยัว่าเห็นไหมตาเป็นเราเราเป็นตาตามีอยู่ในเราเรามีในตาล้มว่าตาเป็นตนตนเป็นตาตามีในตนตนมีในตา ลหลวงพ่อหูเป็นตนตนเป็นหูหมูมีในตนตนมีในหูนี่เมื่อพยนนัญชนะท้ารทั้งหเข้าใจนะึมันมารับโลกรับอารมณ์รับสมมุติเข้าไปพอเอามาบวกใส่เร า, าถ้ารู้ไม่จริงยังหล่นอยู่ว่าเป็นเราจรงเกิดของโล ก, โลกลของปุตชื้นมาเนะี่ยนี่เกิดเป็นพกเป็นชาติขึ้นมา หลงว่ามีเราเนนะมตนเนี่ยนเมื่อตายเห็นหนกกวหลงวาเราเห็นมาย่อมาใส่นี่นห่านเกิดก็ว่าเราเกิดเราตายเมื่อตายกกตนว่าเราเห็นหลงหลงวาเรามาเลแก็วาเราหด้ลิในรถก็หลง หลงโลกหลงอารมณ์หลงสมุทต์นี่เวลาเราใจทวารสมุทตรับไปทวารสมุทต์ก็ต่อเอาไปอย่างนั้นถ้าเรามาดับได้ลงดับความหลงได้เม่อใจมันอยู่ก็ไม่ใช่เราเห็อรดับความโง่งได้ดับอวิชชาไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราได้กิ่ไม่ใช่เราได้ลด อินทรีย์ตแลมการใจทงานต่างหาเรียกว่ามโนบวกอินทรีย์อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็นจากขงทาลีอินทรีย์ามีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูมีความเป็นใญ่ในการได้ินถ้าเรามาศึกษาเข้าใจละเียดจากนี้เราดโกับอารมณ์ดับสมุิได้ในปัจจุบันทาวนิมุตน มันจะรับเขาได้ไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเฉยๆไม่ใช่เราสอนมานานแล้วไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่ไม่ใช่เร า, าได้ถึงยินสักแต่ว่าเห็นไม่ยินตีไม่ยินลาถ้าวานนันมิมุติมันจะรับเขไหต่อไปอมันจะต่อไปได้ไหมเมื่อตายไปธาตุแตกข้นเดิม ถ้าวานสมุนดับเลยถ้าวานมีมุนมันจะเอาอารมณ์ต่อ ไ, ได้ไหมไม่ได้เอาต่อได้ไม่ได้ก็ก เ, เรื่องนั้นเรีะกเพือที่ขั้วแล้วที่ย่างแล้วที่ต่างแบบที่แห้งไม่ตายแล้วไม่มีเชือ้อไม่มียางจะเป็นเกิอดอีกนี่แหละให้พากันปฏิบัต อาตนานีโล ก, กเกิดจากอายาตนาอารมณ์ก็เกิดจากอาญตนาถ้าดับอาญตนาได้ก็ดับโลกดับอารมณ์ดับสมุทได้ถ้าวสมุทดับถ้าวนยุมันก็ดับที่จะต่อทอดไปต่อไปไม่ได้ส่งไปไม่ได้ยงม่มีผู้จะเป็นกระกจแก้ไม่ได้เองที่มาปฏิบัติก็หวังจะไปมาดับนี่ ดับโลกก็ดับอรมดับสมุทต์อ่เงดต่อโลกต่ออรมเข้ามาโลกเกิดจากอะไรเกิดจากอรยธรมนี่โลกคืออะไโลกก็คือสมุทต์สมุทต์ทั้งหลายเรียกว่าโลกโลกอย่างสมุทดับโลกก็ดับอยธรมนี่ดับกิเลสก็ดับอรยธรรนี่อริยธรรม่แต่ละี้ต่อต่อไปของกิเลส ทวายนี่แหละเปทเวารทวารสมุตทวารีมก็สรุปลงอันเดียวกันตามเขอย่าหมนีใจใจเขาเดียวว่าทวารหรือเดียวกัอายตนะหรือเดียวกับอินีย์ก็แลวแต่สุดตโวหรานโหรานของวัสดุเดินไปตามโลกเขาตามสมุทรเขาโหานของผูด ปวไปตามสมมุติเราอยากเชเคเรี่ยวว่าวงงห้องพักสุดขอโทษองค์ว่าวานั้นของพักสุดพักสุดก็คือสมมุติคือโลกเขาสมมุติไปว่าด้าพราะว่าเขาเรียกว่าญาติจะหน้ากว่าเรียกว่าอิงจริงตรงนี้แแต่จะสมมุติไปเพราะว่าโลกเนี่ยสมมุติเออถ้าเรามาทําความรู้เท่าออใจถึงมานั่งภาวนาให้กิตสงบ เมื่อจตสงบแล้วพอจะเกิดกลุ่ยาดูเห็นตามความเป็นจริงว่าขันหาไม่มีกายไม่มีลหายไม่มีเขามาจิตลงถึงอัชั้นลมหายลมลงถึงกายจะบกลมหายใจไม่มีว่าต่อกันไม่ได้ใชลมถึงกายไหมลมหายนตนตัวของเรามันมี แต่บางคนไม่มีมีแต่จิตแท้เดิมเป็นธรรมชาติของใซส์่สานสวัยเราเห็นในสมาธิปัญญาเกิดมีคนมาถามอะารเอ้ยนั่สมาธิเหรอในขินพระสูตรเขียนไว้ว่าปัญญาเกิดจากสมาธิผู้ขาด้ทษเกิดปัญญาจะเกี่ยงสมุท เข้าใจไหมล่ะท่านน่นะมันเกิดลแล้วแต่เราไม่รู้จักเฉยๆเมื่อกิจสมุปนันต้นตัวสัตว์คนตัวตนไปไหนต้นไม้ภูเขาโล ก, กาไปไหนกายของเราไปไหนเห็นไหมเน่พุทิภุตต่ตางไปไหนไม่มีว่างเป็นธรรมาชาติทังหมดนั่นแหละคือปัญญาเห็นดวงตาเห็นธรรมก็เห็นธรรมาชาติ เห็นมันว่างสว่างสบายของใช้อยู่เป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่คนอยู่ลาบงั้นน้าของชัเสมอกันหมดนี่เรียนปัญญาผู้ไม่ได้สมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญาเมื่อเอามาดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติมันก็ดับยามันยังหลงว่าเรามีอยู่หรือเขาปัญญาเกิดจากสมาธิ เมา่อผู้ที่ท่านสังสมไว้แต่อดีตชาแนลพอออกจากสมาธิก็ได้ปัญญาลึกลทันทีรู้แล้วนู่ว่าไม่มีสัรรพคนต้นต้นนู่นั่นถ้าเห็นโลกก็ไม่ใช่เรานี้รู้ได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เราได้ยินไม่มีเราไม่มีสัรรพคนว่างโดยธรรมาติจะไปเกิดปัญญาที่ไหน ออกมาก็เอาธรรมชาติอันนี้ยืนลไรู้รู้รู้ท่านรู้ตรนตายเป็นตายหรู้มันก็รู้ให้เฉยินดีไม่เ้เสียงก็รู้ให้เียาะมอินซีอินซีีความตึงนในการรู้นี้ก็รู้อมก็รู้ชยก็ลก็รู้รู้ให้เฉยรู้เฉยรู้เฉย่รู้เมี้า เราจะไปเห็นอารมณ์เปรบกัาเอกับข like ้าตานี่มเหรอารมณ์นี้มันยืนรู้ไหมตัวนี้เนี่ยคือปัญญาแท้เห็นในสมาธิเมื่อออกมาก็มาพิจายณาวันนี้โอ้มีแล้วก็ไม่รู้จะใช้ได้แล้วก็ไม่รู้จะเอามีพุทโธมีธัมโมแล้ว ก็ไม่รู้จักใช้ตอนลํงมาพัฒนามาเดินปัญญาอยน่นยาวเป็รูมีไม่รู้จักช้มีพุโทโธมีมโมมีสังโฆอย่นี่แล้วก็ไม่เอาไปใช้จึงพูดพูธันขึ้นมาอ๋อมีแล้วก็ไม่รู้จักช้ได้แล้วก็ไม่รู้จักเอา ไดพูดโทรแล้วโมทั้งคนนี่เไม่รู้จักเอาเอามาเป็นสาระน่ะที่เพื่อนไม่รู้จักเอาเอามาเป็นสาระน่ะที่เพื่นมีไม่รู้จักใช้เมื่อได้รู้เลยเสียงบอกพูดโทรแโมมาใช้ยิงลงเอาไวไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินพูดโทรรู้ไหมเฉยๆพูดโทเห็นไห้เฉย พุโทโธรู้ให้เฉยๆอุเบกขาไม่ยินดียินร่ะถ้าไปยินดียินร่ะอยู่ก็ไม่ใช่พุโทพโธเป็นกิเลสนี่ผมมาย้อนคิดวันนึงขึ้นนึงวันนั้นก็นอนไม่หลับเพราะเออพิมจิ ต, ต, ตสุขขึ้นมาในในรู้นะจำได้อ๋อ น, นี่คนเรามันก็มี นในใสมัมีอยู่ทุกคนว่าใจมันพูดมันทายมันทำโมสังโฆมีอยู่ทุกคนแต่เราไม่ปฏิ บ, บัติค้นหาเออมื่อเห็นสุตโธทำโมสังโฆแล้วเราทําไมไม่เอาไปใช้ยช้ใช้ใชย่างไงใช้ย่างไงสุตโธทำโมสังโฆไม่มีตัวตนใส่บุกคลอยนะู่ใน เป็นธาตุสามารถจตะธาตุสามารถแตะจิตสามารถแตะธรรมเชนตายไม่เป็นรูู้เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์คนหนาหน้าของใช้เมื่อใจเห็นรูแล้มันหลงว่าเราเห็นแล้วมาใช้ประโยชน์มีไม่รู้จกใช้ได้ไม่รู้จกเอาเอามาเป็นท right. <of> ี่ยงคืนจะฟ้อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่นะ มันไม่อยู่ที่ไหเมื่อตายลกเราอ่นเราอยู่ไธรรมชาติมันล่ามัน่ากา่อใชไม่มีตัวตนสัทุกคนต้นไม้พวกเขาเราการไม่มีลา่าเป็อนเลียวกันหมดที่มาต่างสมมติว่าเราหัวเขากัตัวหัวตนอันถ้ามาตั้งสมมติให้ก่อนจากคนกลเฉยๆถ้าเราไปเห็นสมาธิจะมีหลักฐานขาด ผูได้สมาธิจ <ne> <iren> ึงเกิดปัญญาเร็วกว่าแล้วออกจากสมาธิมันก็จะเอาพุทโธทำงอทั้งคอมาเย็นโยเลยเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมามันไม่ใช่เราเห็นเราไม่มีเรามีอยู่ที่ไหตอนเข้าสมาธิเราได้ตอนนอนหลับเราไปไหนมันจะยืดยันจะฟ้องขึ้นมา ถ้าคนไม่ได้ธรมาที่พะมาพูดว่าเราไม่มีเราไม่มีเฉยๆมันจึงดับอารมณ์ยากถ้าพูดได้ธมาที่ก็เขียนว่าเราไม่มีจริงจะไปหาอะไรกับหราไม่มีกูได้ยังได้อุปทานเราเนี่อฝันเหมือนกันฝันดีวันลายก็ไปยิดอุปทานเอาเราอยู่ที่ไหนเราไม่มีถ้าเรามีมันคงหมดเร่อยใครจะได้อุปทานเพราะความโง่ความหลงเองมาภาวนาก เพื water, s <S oh, ่อใหู้้ความจรให้เห็นความจริไม่ให้มันโง่มันหลงมาภาวนาแก่โง่แก่หลงเลยโอ้ดีโชคดีเลยมากพากันเยอะพากันตั้งใจทำเอาถ้าจิตไม่สงบจะมาเดินปัญญาก็จะเข้มงคงไม่าเหมือนอาวุธมีเครื่องมือของชาตไม่ได้รับไม่ได้ผล ไปใช้งานมนะันก็ยากยากถ้าเราได้รับผลมันคงมันกล้าถ้าเราได้เข่าสมาธิอีกภาคจิตสงบแล้วเขาจิตดะใช้งานมนะันที่มีกำลังฆ่ากิเลสให้ตายไกลให้ออกได้ถามันคงมันกล้าสมาธิจึงเปรียบธรรมะที่รับมีทีร่รับกัญญาจึงให้เข่าสมาธิ ใ ห, ให้เป็นหินล้ำปัญญามาปัญญาไม่งไม่กล้าก็ไปข้าคว า, าโมางโง่ความหลงความกิเลสตายได้ถ้าปัญญาไม่คงไม่กล้าคิดยังไงก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกมือตึงหรือมือแตกได้คือต่อถ้าได้สมาธิก็เออมีโอกาส ปัจะเเร็วขึ้นแต่ไม่ได้กเกิดเหมือ น, นกันแต่มันช้ามันมิดมนเลื่อยมนวันวได้รับไม่ไดผลพูดไปกนไปถากไไปเรื่อ ย, ยม่ช้ายากเห็นยากพระตั้งพระ ต, ต, ตั้งใจเามันนี้เ่ดที่บเหลือถารสมุทรถาวรมุน มันต่อสืบเนื่องกันเป็นสันติสันติโต้ก็คือเทวานนมิสันติหลังก็คือสันติโต้ก็คือเทวานสมิตมันรังอกบเ้าไปยังไงสันติหลังก็คือเทวานิมิตมันขอรับสืบต่อกันไปเราจะไปเกิดตุกภวิชาอะไกว่าเกิดจากอันนี้ ในยิ่งในฝันแล้วก็นำออกไปให้คนพิจารณาูเองให้ดูเห็นตามความจริงแล้วก็จะดัสมมติได้ดับทวารสมมติได้สันตตินสันตติลังกมีกามาอยาจัสมมติใหู้จับมมนั้นได้แสดงมาสมควรแก่เวลา เออวัน